พยายากันระวังคำชั่ว น, นะคำชั่วเราจะติดหัวใจคำดีกับคมชั่วส อ, อย่างนี้ติดหัวใจแต่เวลานี้สัตว์โล ก, กมีแต่คำแห่งความชั่วชา้าเราหมกมันติดหัวใจกายวาจาปีิยาภริยะมันติดไปแล้วก็มีตั้งแต่ความชั่วคนทั้งทั้งคนทั้งเจ้าวันเสริมมาจนกระทั่งวันชายสร้างแต่ความชั่ว ด้วยอำนาจแสงความอยากความทะเยอสยานลืมเนื้อลืมตัว relax, ผู้ที่รู้เพือรู้ตัวแล้วก็พิกแก้ไขหลักแปลไปเสียใหม่ก็กลายเป็นคนดีไปได้